โอ้ศีนนี่รักษา ย, กยากจริงๆนะเาขาบอกว่ า, าความที่ศีนมันรักษายากอย่างเงี้นะนึกให้เขาจดข้อความในวินัยวินัยมานะวินัยมหาวัตรวินัยมหาวัตรมหาคันธกะในเล่มสี่นะถ้าของเราก็เล่มหกอยู่เล่มหกนะกล่าวว่า วินัยนั้นมีประโยชน์มากนะเขบอกว่าประโยชน์ของพ ร, พระวินัยนั้นคืออะไรเขาบอกว่าคือนํามาซึ่งความสุขแก่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักนะเขาบอกว่าข่มพวกที่ปรารถนาลามมกยกย่องพวกที่มีความละอายและทรงไว้ซึ่งพระศาสนาเป็นอารมณ์ของพระสัพพัญยูชินเจ้านะวินัยนี่เป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้านะ ไม่เป็นวิสัยของพวกอื่นเป็นแดนกเกษมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วไม่มีข้อที่น่าสงสัยภิกษุฉลาดในขันธกะวินัยปริวานและมาติกาปฏิบัติด้วยปัญญาอันหลักแหลมเชื่อว่าเป็นผู้กระทาประโยชน์อันสมควรนะตรงนั้นกล่าวถึงอา น, นิสงส์ของพระวินัยนะแต่ว่าข้อความที่ประสงค์จะ ก, กล่าวคือคาว่า ชนใดไม่รู้จักโคชนเหล่านั้นเนี่ยนะย่อมรักษาฝูงโคไม่ได้ฉันใดคนไม่รู้จักวัวนี่ปลรให้ไปเลี้ยงวัวเถอะเดี๋ยวไปต้อนเอาอยางอื่นมาเลี้ยงหรือไปเอาวัวคนอื่นมาเนี่ยแย่ละนะคนไม่รู้จักโคย่อมรักษาฝูงโคไม่ได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อไม่รู้จักศีลฉไห น, นเธอจะปึงรักษาสังวรนี้ไว้ได้ เขาบอกว่าขนาดวัวเนี่ยนะจะต้องรู้จักวัวนะจึงจะเลี้ยงได้ถ้าไม่รู้จักวัวดีเนี่ยนะถ้าเป็นวัวแบบสมัยก่อนต้อนไปเลี้ยงเนี่ยไปเอาวัวบ้านอื่นมาเนี่ยเขานึกว่าเรารักของเขาเนีแล้วเขาเอาฟองเสียหายมากอ่าเพราะฉะนั้นศีนี่ก็ฉะนั้นเหมือนกันนะศึกษาให้เข้าใจแล้วจึงจักรักษาได้อย่างสังวรศีนี่นะถ้าไม่เข้าใจเราจะสังวรได้ยังไงใช่อะนะปาติโมขะสังวรเอใหม่ๆเนี่ย อาจจะพอได้พอได้อาศัยศรัท ธ, ธาก็ทําพอได้เอาสติสังวร น, นะคะนี้ชักยากลึกซึ้งขึ้นอีกนะญาณสังวรนอะ่ะอันนี้ถ้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยปฏิบัติตามไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยก็ยังรักษายากเลยเนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้จกักศีลก็รักษาศีลไม่ถูกรอกเพราะฉะนั้นเราศึกษาให้เข้าใจเราจะได้รักษาถูกนะนะขนาดเข้าใจแล้วรักษายังไม่ได้นี่ก็แสดงว่าหนักเลยนะจะกล่าวไปยายถึงไม่เข้าใจ อ, อยู่ในข้อหนึ่งสี่สกนะสารปกเล่ม6ของฉบับเราอ่ะนะฉบับเก้าเอ็ดเล่มเมื่อกี้นะทีนี้กล่าวถึงขันติสังวรต่อไปก็สังวรนี้ใดที่มาแล้วโดยนัยว่าเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนดังนี้เป็นต้นนี้ก็ชื่อว่าขันติสังวร น, นนะ ก็คือความอดทนความอดกลั้นเมื่อหนาวก็ยังเจริญกรรมฐานต่อไปได้เรียกว่าคนอดทนอ่ะนะหนาวก็ไม่ไม่โกรธร้อนก็ไม่โกรธเป็นต้นแล้วก็สา ม, มารถที่จะเจริญกุศลธรรมต่อไปได้อย่างยกตัวอย่างนะอย่างถ้าหากว่าคนที่ขาดความอดทนเนี่ยนะหน้าหนาวเนี่ยตื่นสาบาตไม่ได้หรอก น, นะใช่ไหม โอ้ยน้าเหน็บมาทำกับข้าวกับปะทาบุญเนี่ยทาไม่ไหวหรอกเนาะโอ้ยน้าศรัทธาตกเลยนะเอ้เอไว้ทําบุญอย่างอื่นถต่บารมีมีตั้งสิบอ่างแล้วนะเพราะว่าขาดความอดทนก็ทําไม่ได้กุศลศีลก็เหมือนกันนะนะรักษามไม่ได้หรอกถ้าขาดความอดทนยิ่งสมถะวิปัสสนาด้วยแล้วเนี่ยยิ่งถ้าขาดขันติซะอย่างนี้ก็ไม่สา ม, มารถจะทําได้ เพราะฉะนั้นความอดทนความอดกลั้นความไม่โกรธไม่งุดหงิดเนี่ยนะเป็นขันติสังวรซึ่งครั้งก่อนๆสมัยที่เราเรียนเรื่องเมตานะก็ได้กล่าวนั้นพิสดารพอสมควรและเรื่องขันติสังวรในสภาสวะสังวรสูตรนะอสวะบางอย่างที่ละได้ด้วยความอดกลั้นทีนี้ต่อไปนะ นหน่สังวร น, นี้ใดที่มาแล้วโดยนัยว่าไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือหมายความว่ากามวิตกก็คือเป็นวิตกที่เกิดร่วมกับโลภะยินดีในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเช่นวิตกนั้นยินดีในรูปหรือยินดีในเสียงยินดีในกลิ่นยินดีในรสยินดีในโพธา หรือว่ายินดีในธรรมในธรรมรมณ์เนี่ยนะก็ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยนะเช่นไอ้คำบางอย่างเนี่ยนะซึ่งให้กามวิตกเนี่ยเกิดมากๆเนืถึงอย่า ง, างพันนันทะเนี่ยพันนันทะที่ที่ท่านออกบวชนะอ่าภรรยาท่านที่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ก็จะบอกพระลูกเจ้ารีบกลับมานะคำเนี่ยก้องหูอยู่ตลอดเลย มัน น, ะะนื้อแต่อยากกลับเนี่ยนะเออจะศึกเลยก็เกรงใจพระพุทธเจ้าว่างั้นนะเพราะนึกแต่ไอความคิดอันนี้มีทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแบบเนี้ยจนโอ้ยผมคงบวชได้ไม่ตลอดหรอกว่าไงเที่ยวบอกเพื่อนเ้อผมคงบวชได้ไม่ตลอดหรอก <S <S <ล>อ่ น, น, น, นะจนพระพุทธเจ้าก็แก้ไขไอความคิดอันนั้นได้อ่นะเพราะนั้นไอความคิดอันนั้นที่จะแก้ไขได้ต้องเพียรจริงๆนะทำไม่เพียรจริงๆเนี่ยแก้ไม่ได้ๆๆหรือบางคนเนี่ยนะไปฟังเสียงด่ามาสักเสียงหนึ่ง โอ้โหคำนั้นเนี่ยมันละเอียดยามเราชัดๆเลยย่งเงนะโถสะมันนึกถึงคำนั้นเมื่อไหร่ก็หงุดหงิดทุกทีนึกเมื่อไรหงุดหงิดทุกทีคิดเ ม, มื่ อ, อไรก็หงุดหงิดอันนี้ต้องเพียจรๆๆ จ, จริงๆจึงจะรักได้จึงจะละไอไอวิตกอันนี้ได้หรือนึกไอไวิหิงสาวิตกเนี่ยนะจะต้องไปด่าใครให้ได้จะต้องไปต่อว่าเขาให้ได้สักนะวิหิงสาก็คือนึกเบียดเบียนเขาอะนะถ้านึกโกรดนึกพยาบาทอันนี้อย่างหนึ่ง แต่ท่านนึกเบียดเบียนก็คือไอ้นึกโต้กลับเขานะ้ามะไงจะต้องด่าเขาอย่างนี้ต้องใช้คำนั้นถ้าใช้คำนั้นแล้วเขาจะหนักขนาดนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้การนึกนึกลักษณะทำให้เขาเสียหายแบบนี้เรียวกว่าวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นไอ้อากุศลวิตกอันนี้ต้องเพียรพยายามเป็นอย่างมากจึงจักละได้ถ้าไม่พยายามจริงๆไม่มีวิริยะสังวรเนี่ยเกิดไม่ได้นะ มันคนเพียรพยายามนั่นแหละจึงจะรักษาศีลอันนี้ได้มันศีลอันนี้เนี่ยขยันจริงๆเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ยอมยกจิตให้อากุศลง่ายๆอ่างนั้นแต่ไม่ปล่อยให้อากุศลและจิตเกิดขึ้นอะ่ะคนอย่างนี้แหละเรียกว่ามีวิริยะสังวรสังเกตดูนะว่าในเรื่องของศีลเนี่ยนะเน้นให้กุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเนี่ยแสดงว่าประสบความสำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นสีเนี่ยมุ่งกำจัดอกุศลที่จะให้เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นประมาณแต่ถ้าเป็นสมถะกุศลนะเน้นกุศลที่มันยาวเน้นกุศลที่ต่อเนื่องอนะยกตัวอย่างถ้าเมตาก็เน้นกุศลที่ต่อเนื่องไปเลยแต่ถ้าเป็นสเนีเน้นทำยังไงจะกำจัดโทสะได้ทั้งเฉพาะหน้าด้วย ถ้าเป็นสีเน้เ น, นอกุศลที่จะเกิดขึ้นเน้ น, น, นทายังไงจะ ก, กาจัดอกุศลอ น, นั้นได้อันนี้เป็นลักษณะของศีทีนี้ทํายังไงกุศลจะเกิดยาวต่อเนื่องกันได้อันนี้เป็นลักษณะของสมถะถ้าเป็นวิปัสสนาก็ทํายังไงจะรอบรู้อารมณ์นั้นโดยละเอียดนะถามว่ารอบรู้อารมณ์เนี่ยรอบรู้แค่ไหนจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาก็คือรอบรู้เหตุเกิด รอบรู้เหตุดับรอบรู้อาศสาธาอาทีนวะและนิสรณะจริงๆจง จ, ง จ, ง จ, ง จ, งจะเรียกว่าวิปัสสนานะเรียกว่าคนรู้แจ้งอห็นะรู้แจ้งกับเข้าใจแจมแจ้งนั้นก็อันคล้ายๆกัน น, นั่นแหละพรนะสนเน้นที่ว่าทำยังไงกาจัดไอ้ความชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นพันเหน คำว่าศีลเนี่ยนะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงๆูงจริงๆเลยนะอะไรที่มันมีทุกมีโทษเนี่ยศีลเนี่ยจะกำจัดออกไปทันทีเลยนะสมถะก็โหหลอเลี้ยงกุศลนั้นให้ยาวต่อไปก็บอกว่าแม้ความบริสุทธิ์แห่งอาชีพอาชีวะเนี่ยนะก็ถึงซึ่งความรวมลงในวิริยะสังวร น, นี้นั่นเทียวยนะ เพราะไรเพราะว่าอาชีวะปาริสุทีศีลเนี่ยนะที่จะต้องละมิชอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วสําเร็จเลี้ยงชีวิตด้วยการแสวงหาปัจจัยที่หาโทษไม่ได้ น, น, นะชีวิตที่เป็นอยู่นั้นน่ะต้องอาศัยปัจจัยใช่ไหมจึงจะดํารงอยู่ได้อาศัยปัจจัยนะจึงจะหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตต่อไปได้ทีนี้ไอปัจจัยนี่นะบางคนก็ได้มาโดย ผิด ท, ทำบางคนก็ได้มาโดยชอบธรรม ท, ทีนี้ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยชอบรำเนี่ยนะถ้าไม่เพียรพยายามจริงๆเนี่ยไม่ขยันไม่บากบั่นจริงๆก็ยากก็บอกว่าถ้าเป็นค า, ารวะนะพระพุทธเจ้ากล่าวถึงทรัพย์หรือปัจจัย4ของค า, ารวะเนี่ยในพระสูตรทั่วไปพระองค์บอกว่าทรัพย์ที่เกิดด้วยกําลังแขนนะด้วยกําลังแขนหมว่าขยันจริงๆและอาบเหงื่อต่างน้ำ ใช้คําว่าเกิดขึ้นได้ด้วยกําลังแขนและก็อาบเหงื่อตังน้ํามีอาชีพไหนบางที่ไม่ค่อยอาบเหงื่อตังน้ําเลยมีหมมันหายากนะกาลังแขนเนี่ยโหมือเนี่ยไม่นิ่งเลยเหงื่อเนี่ท่วมหมดอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละจึงจะอยู่ได้ทำไมอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้คำว่านี้นเขาบอกว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมอันนี้ต้องเป็นคนที่เพียรจริงๆนะถ้าหากว่าเป็นคนเกียรติคร้านเป็นต้นก็นึกถึงทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งละ ที่จะทำให้ได้ปัจจัยม า, าปัจจัยที่ได้มาโดยทุจริตกรรมเหล่านี้เรียกว่าอาชีพไม่บริสุทธิ์ถามว่าถ้าอาชีพไม่บริสุทธิ์นี้มีผลอย่างไรต่อชีวิตเราอ่ะนะแล้วกน็น่าคิดดูนะถ้าอาชีพไม่บริสุทธิ์มีผลอย่างไรต่อชีวิตเราอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นนั้นชื่อว่าประโยคนาววิบัติก่อนแหละอ่านะอะกุศลอย่างใดยอย่างหนึ่ง ที่เคยทําในอดีตนะเพราะเหตุที่เราประโยคนขวิบัติอากุศลเหล่า น, น, นั้นให้ผลได้นะแปลว่าเปิดช่องเปิดประตูให้อากุศลในอดีตให้ผลได้ง่ายอย่างที่สองเนี่ยนะกำลังก่อกรรมที่ไม่ดีกําลังประกอบความชั่วให้แก่ตัวเองแล้วนะกำลังทําเหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ชีวิตเราแล้วละ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจริงอยู่การที่เราทําชั่ว นะแล้วได้ทรัพย์สินมาเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเราไปขอกู้กู้เงินเขาซึ่งมันดอกเบีย้ยแพงมากแล้วก็เอาไปเล่นการพ น, านาันซึ่งไม่มีทางชนะนะซึ่งเรว่าเอาไปเล่นการพนันาที่มองยังไงพ่ายแพ้โดยถ่ายเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการที่เรารีบไปใช้วิบากเนี่ยนะต้องการได้รับความสุขถึงกับก่อกรรมทำชั่วได้มา ถึงกับทํำมิจฉาอาชีพได้มาทรัพย์ที่ได้มาอันนั้นก็เหมือนกับไปกอบไปกู้เข้าซึ่งดอกเบียแพงดอกเบีย้ยแพงมากแล้วเอาไปเล่นการพนันซึ่งการพนันอันนั้นแพ้โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากเมื่อใช้เงินหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ําเนี่ยนะไปที่ไหนเขาก็เจ็กหัวใช้ทีนี้ไอ้บาปประกรรมที่ทําชั่วเป็นเหตุให้ได้ปัจใจสี่เนี่ยนะสังสารวัตเนี่ยนะ ถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานบางตัวเนี่ยเขาจิกหัวใช้จริงๆเลยนะมันใช้เชนิดที่ว่าลิ้นห้อยเลยครับอกงั้นก็บอกว่าถ้าเป็นควายของโบราณ น, นี่ก็ไถจนลิ้นห้อยนั่นแหละก็บอกว่าแต่เช้ามึดเนี่ยนะสิบโมงแล้วยังไม่ปลดแอกเลยแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่เอาใหม่จนค่านั่นแหละก็จิกหัวใช้ขนาดนั้นนะถ้าเป็นคนบางคนทําไมถูกจิกหัวใช้เลือเกินอย่างไงนะใช้คําด่าคำเนี่ยทําไมจะต้องทุกทรมานขนาดนั้น ลักษณะเหล่านี้ก็มาจากเหตุที่ทําไว้ไม่ดีเพรา ะ, ะนั้นการทําอกุศลในครั้งนี้ของเรานั้นน่ะถ้าเกิดเราได้ทําไปนะขณะนั้นประโยคนาวิบัติให้อกุศลกรรมในอดีตให้ผลได้ด้วยและก็ชื่อว่าเป็นความไม่ฉลาดของเราด้วยเราทําลายศีลในขณะนั้นเมื่อศีลเสียแล้วฮีริโอตาปะเป็นต้นก็ศูญเสียไปเราก็ห่างไกลาจากพระอริยเจ้าถ้าบาปรกรรมเหล่านี้ให้ผลก็ฉุดคร่าเราไปในอบายเป็นต้น เพราะฉะนั้นความเพียรพยายามที่เป็นเหตุให้อาชีพบริสุทธิน่ะพระองค์จึงตรัดว่าอาศัยกําลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ําก็ทนหน่อยเนะาะทําไงได้มันเกิดมาแล้วนี่มันเป็นผลของอะไรนะีสังสารวัตรนี่แหละนี่ขนาดมาด้วยผลของบุญแนละมันยังอาบเหงื่อต่างน้ําเลยอะ่ะถ้าด้วยผลของบาปเนี่ยนะโหหนักกว่านี้อีกหลายเท่านะ สังวรทั้ง5้าอย่างตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ดีความงดเว้นจากวัตถุที่ประจวบเข้าแล้วแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้กลัวบาปอันใดก็ดีธรรมชาติแม้ทั้งหมดพึงทราบว่าชื่อว่าสังวรศีนเนะขอกล่าวทบทวนไปที่สังวรศีนอีกครั้งหนึ่งนะ ซึ่งข้อความในดีกานี้กล่าวไว้ดีมากในในลักษณะของสังวรทั้งหมดที่ที่กล่าวไปก็บอกว่าคำว่าอาชีวะปาริสุทธินี่ความว่าแม้อาชีวะปาริสุทธิศีลที่ละมิจฉาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้ว สำเร็จเลี้ยงชีพด้วยการสแสวงหาปัจจัยที่หาโทษไม่ได้ก็รวมลงในวิริยะสังวร น, นี่แหละเพราะยังวิริยะให้สําเร็จนะเพราะอะไรเพราะถ้าหาว่าคนไม่มีความเพียรอาชีพไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนก็ในอธิการนี้เพิ่งทราบว่าญาณญาณสังวรเนี่ยนะชื่อว่าสังวรตัวปัญญาหรือตัวญาณที่ชื่อว่าสังวรเพราะอาจว่าปิดไว้หรือเพราะห้ามความเป็นไปแห่งกระแสตัณหาเป็นต้น กระแสตันหากระแสอะไรทิฏฐิทุจริตกิเลสอวิชชาเพราะอาศัยยานนี่แหละจึงจะไปปิดไปกั้นได้แล้วก็ยานนี้ชื่อว่ายาณสังวรนใช่ไหม ย, ยาณสังวรนนี้เป็นศีลเพราะฉะนั้นไอ้ยาณสังวรนที่เป็นศีลอันนี้ชื่อว่าศีลเพราะอัดว่าศีละนะศี ล, ะนะละนะก็คือเป็นภาวะที่รองรับไว้ซึ่งกุศลธรรมชั้นสูง ต่อไปก็บอกว่าชันใดคันติสังวรนี่ก็ชื่อว่าสังวรเหมือนกันคันติสังวรนี่ก็เพราะว่าปิดกั้นไว้ด้วยการกดกลั้นซึ่งกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รับซึ่งไอ บ, บาปอาคุศนเหล่านั้นอะ่ะไม่ยอมให้อกุศลเนี่ยคือโทสะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขันติสังวรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาชื่อว่าศีนก็เพราะว่าเขาเป็นศีลณะนะเหมือนกันเพราะว่าเขานี่เป็นที่รองรับ กุศลธรรมชั้นสูงที่เขาเป็นศีลได้เพราะนั้นน่ะเขาเกิดเพราะความอดทนได้เป็นเหตุถ้าหากว่าขาดความอดทนสัอย่างกุศลศีลก็เกิดไม่ได้แล้วก็กุศลศีลที่เกิดขึ้นด้วยความอดทนเนี่ยนะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้ถ้าหากว่าขาดความอดทนแล้ว <S <S กุศลธรรมชั้นสูงๆจักเกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขันติจึงเป็นศีล เป็นขันติสังวรจึงเป็นศีลเพราะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงๆงต่อไปวิริยะก็ชื่อว่าสังวรวิริยะที่ชื่อว่าสังวรเนี่ยนะเพราะปิดกั้นไว้ด้วยการบรรเทาบาปธรรม ท, ทั้งหลายที่จะคืงบันเทานะถ้าหากว่าไม่บันเทาแล้วก็ศีลเหล่านี้ก็ไม่เกิด แล้วก็วิริยะนั้นที่ชื่อว่าศีนนี่ก็เพราะว่าศีระณะเพราะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปถ้าหากว่าไม่บันเทาอา ก, กุศลทั้งหลายจะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้อย่างไรก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่เพียรพยายามนะกุศลมันรั่วว่างั้นแต่ถ้าหาทรัพย์มาได้กระเป๋ามันขาดนะนะมันเก็บสะสมไม่ได้มั้ยอันถ้าขาดความเพียรพยายามขาดความอดทนอดกลั้น ที่จะกําจัดอากุศลเหล่านั้นนั้นออกไปจะไม่สามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้เลยแต่ปาติโมขสังวรศีลเป็นต้นเป็นเครื่องกัน้นเครื่องปิดเนื่องด้วยไม่ยอมให้บา ป, ประกรรมนั้นน่ะเป็นไปเนี่นะปาติโมขสังวรศีลสังวรเนี่ยนะเป็นลักษณะของการปิดกัน้นห้ามไม่ให้อากุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปได้เลย แม้ชันใดแม้ความงดเว้นจากวัตถุที่ประจบเข้าของผู้ที่ไม่ได้สมาทานศีลก็ฉันนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความงดเว้นจากวัตถุที่ประจวบเข้าแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้กลัวบาปก็ดีแม้ทั้งหมดนี้ก็พึงทราบว่าเป็นสังวรศีลอันสังวรศีลที่ที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะเน้นที่สมาทาน เพราะฉะนั้นก่อนก่อนหน้านั้นท่านกล่าวเน้นที่สมท า, านใช่ไหมเพราะฉะนั้นในหน้า24กล่าวว่าความงดเว้นจากวัตถุที่ประจวบเข้าอันนี้เป็นสัมปัตตนี่นะคือก่อนหน้านี้เน้นสมท า, านมาตอนหลังสัมปัตตทีนี้เลยสังวรข้อตบอบศีลได้สามศีลเนี่ยนะอะไรคือศีล ทบทวนอีกครั้งนะเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลและอวีติกรรมะคือการไม่ก้าวล่วงเป็นศีลเนี่ยนะอวีติกรรมะคือความไม่ก้าวล่วงเป็นศีล น, นั้นเนี่ยนะก็ได้แก่ความไม่ก้าวล่วงทางกายและทางวาจา แห่งบุคคลผู้สมาทานศีลซึ่งดีกาท่านบอกว่าคำว่าไม่ก้าวล่วงเนี่ยนะเพราะอาจว่าเป็นเหตุไม่ก้าวล่วงคื อ, อการไม่ก้าวล่วงนะการสมาทา น, นนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่ล่วงละเมิดต่อไปคือจิตตุบาทที่เป็นกุศลที่เป็นไปโดยประการนั้นนั่นเองอ่านะไอ้ความไม่ก้าวล่วงในทีน่นี้นั้นมุ่งไปที่กุศลหรือคำว่าไม่ก้าวล่วงนั้น อีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าจิตและเจตสิกเป็นไปด้วยอํานาจความไม่ก้าวล่วงซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวล่วงชื่อว่าอาวีติกมะความไม่ก้าวล่วงคือเน้นกุศลที่เป็นเหตุไม่ให้ก้าวล่วงนั่นเองอันนี้เรียกว่าอาวีติกมะอวีติกมะนี่อธิบายน้อยที่สุดนะท่านก็บอกว่าเออกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ารักษาไว้ได้ก็ไม่ล่วงไม่ละเมิดนั่นแหละชื่อว่าอาวีติกมะอันนี้เรียกว่าขยาย อะไรคือศีลตามคำภีคำภีอะไรที่บอกว่าอะไรคือศีลเนี่ยนะเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกมะเป็นศีลเนี่ยนะข้อความอันนี้นะดูในหน้ายี่สิบเอ็ดนะดูในหน้ายี่สิบเอ็ดซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยนะที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะนับหนึ่งนับลงหนึ่งสองสามสี่บรรทัศเนี่ยนะ นับลงสี่บรรทัด ว, ว่าวุตังอ่าวุตังเหตังปฏิสัมพิทาอย่างที่แปลว่าอ่าข้อนี้สมจริงนะข้อนี้สมจริงวุตังเหตังเนี่ยนะข้อนี้สมจริงปฏิสัมพิทาอย่างคำพีปฏิสัมพิทานั้นเป็นคมภีของภาษาริบุตรว่าภาษาลิบุตรเีระกล่าวไว้ในคำภีปฏิสัมพิทาว่ากิงสีหลันติเห็นไหถามว่าอะไรคือศีนเจตนาสีลัง ว่าเจตนาเป็นศีลเจตสิกังศีลังเจตสิกเป็นศีลสังวโรศีลังสังวรเป็นศีลอะวีติกโมศีลันตินะความไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลดังนี้แล้วก็มีเชิงอัดหนึ่งก็ดูข้างล่างไปว่าหนึ่งหนึ่งคือคู่ทกานิกายปฏิสัมพิธามมัตเล่มที่31นะหน้า64ฉบับบาลีสยามรัฐเล่ม31อด ข้อ64แต่ถ้าเป็นฉบับ91เล่มก็อยู่ในเล่มที่68นะ68คือสีลัมมายายา น, น, น, นะนะคือต่อจากสุตตามายายาน